ฟังธรรมกันเนาะฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลมงคลอะไรมงคลก็คือว่าผู้ฟังธรรมจอมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังผู้ฟังธรรมสิ่งที่เคยได้ฟังแล้วไม่เข้าใจ ย่อมเข้าใจบรนเทาของสงสัยเสียได้จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสฟังแล้วออกธรรมฟังทำไม่ใช่ฟังหนลอรงไม่ใช่ฟังเตีงฟังธรมก็คือการฟังเรื่องของเรานีเรื่องของเราก็มีกายไม่ใจ สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็เป็นธรรมเป็นคําที่เป็นกุศลว่างค้อมฉลาดนีสติปัญญาอากุศลว่างความงู่หลงหมงห ม, มายมันเกิดขึ้นที่กายที่ใจเรานี่ก็ถ้าเราฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติ ถ้ามันหลงก็เปลี่ยนถ้ามันเปิดอกุศลที่ไม่ดีก็เปลี่ยนเปิดกุศลได้แยได้ขี่เช่นใหม่ได้ลบใหม่เขียนใหม่ให้ถูกใจชอบแต่งเอาแต่งสิ่งที่มันผิดขึ้นมาเสริมสร้างให้มันเป็นสิต ท, ที่ถูกลบสิ่งที่มันผิดเขียนให้มันถูกลงไป มันจะไม่มีตราไม่มีเครื่องหมายในการในใจของเราแล้วก็ให้ใช้ชีวิตที่ชัดเจนแม่นยามอยู่เสมอชีวิตมันจะต่างกันเพราะลัติการของการใช้ชีวิตแต่ละคนต้องมีเวลาอยู่ร้อยปี ถ้าช้ชีวิตไม่เป็นก็ไม่ประเสริฐโดยีมีชีวิตยอยู่เพียงวันเดียวถ้าช้ชีวิตเป็นก็ประเสริฐดังเออราสาธยารพสูจน์เมื่อกี้นี้ว่าผู้มีลาตีเดียวก็น่าชมขึ้มิศธาต่อพระพุทธเจ้าพระทมพระสงค์ อยู่เสมอเชื่อว่ามีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงตัดสู้จริงจริงที่ทำให้เกิดเป็นพระเจ้าคือธรรมก็มีอยู่จริงผู้ปฏิบัติตามธรรมก็มีอยู่จริงตาปฏิบัติพ้นทุกข์ได้จริงจากปุถุชนเป็นพระอยู่คนได้จริงเป็นพระอรหันต์ได้จริงเข้าถึงมรรควรพานได้จริง เราไม่ศรัทธาอย่างนี้อยู่เสมอจะไปศรัทธาอาศัยจึงอื่นเป็นที่พึ่งศัจธรรมนั้นสอนให้เราพึ่งตนเองถ้าจึงได้สอนให้พึ่งจึงอืน่นไม่ใช่ศัจธรรมคนละแบบคนละอย่างหนงที่เกิดกันความเห็นแตกต่างกันไป ให้ไะทางเดียวกันก็ดีง ข, งขวางๆความถูกต้องเป็นอันเดียวกันเพรากายกับใจของเราก็เป็นอันเดียวกันอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็หเหมือนอนกันหมดความกดความโลภความลง่กดขึ้ น, นกับ ใ, ใครก็เหมือนนกันใครหลงก็เหมือนกันใครกดก็เหมือนกันใครไปกดไ่หลงก็เหมือนกัน ก็เป็นทุกข์ก็เหมือนกันใครไม่ทุกข์ก็เหมือนกันสิ่งบางสิ่งที่เราเป็นทุกข์คนอื่นไม่ทุกข์ก็มีสิ่งที่ทำให้เราโกรธคนอื่นท็ไม่โกรธก็มีมันจะต่างกันอย่างนี้เพราะรัติการที่หัดตนสอนตนมันต่างกันไปจึงมีความสำคัญกับการใช้ชีวิตแต่ละนาทีแต่วินาที เองการฝึกตนให้เรียนรูปเป็นสูตรที่เรามาฝึกหัดมีแต่สูตรในกายก็เป็นสูตรสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายก็เป็นสูตรแในจิตใจก็เป็นสูตรสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็เป็นสูตรอย่าง <c oughs> สูตรที่ว่าสัมมาสติเป็นเช่นไร วิจต้องลอยวิจูในทาไปในนี้มีสติมีกา ย, ยาไปนในกายอยู่เป็นประจำอย่าโอกาสเป็นสูตรโอกาสเป็นมิตรเงมีสติไปนในกายอยู่เป็นประจาดูสิเจ้าก็จะเห็นสิ่งที่มาเกิดขึ้นกับกายก็ให้ถอนออกมาซะ ความพอใจและข้อมาพอใจมันจะไปถึงใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายก็ไปถึงใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับกาใจก็ไปถึงกายกายเปลี่ยนใจใจเปลี่ยนกายถอนลงมาถ้ากายบเปลี่ยนใจใจบเปลี่ยนกายก็ว่าเป็นรถของโลกถูกโลกทับถมเป็นภาระหนัก กับรูปอวมน้่มไม่เป็นธรรมต่อกันเปลี่ยนเปียนกันจนถึงวันทีเขาเจ็บค่ได้ป่วยเพราะใช้ชีวิตผิดผพลาดเจ็บแค่ได้ป่วยยังไม่พอบางทีใช้ชีวิตผิดพลาดมากมาก็ทะเลาะว่ากันทำให้การลำบากแต่เราจะไม่ชีกัน เพราะใช่กายใช่ใจไม่เป็นให้อดเดินมาใช่กายใจไม่มีเจ้าของไม่ไม่มีผู้ดูเลเถื่อนกายก็กายโสเพณีและจิตก็จิตโสเพณีเขาจะหิ้วไปไหนก็ได้แล้วแต่เขาจะเอาไปรูปในรถได้กินในเชียงพาไป ดึงไปโน่ดึงไปนี้บางทีกลางคืนเป็นควานกลางวันเป็นเปลวนอจะวอยฝันเพราะมันเป็นขีดมันเป็นขีดลึกในกายในใจที่เราใช่ไม่เปนเลอยขีดันถิ่นบางีก็ลบไม่เป็นเพราะไม่หดัดถ้าหลงก็ปล่อยทิ้งไว ถ้าโกรธก็ปล่อยทิ้งไว้ปล่อยให้ความโกรธกลมลงมาใช่กายใช่ใจเสียหายหมดเมือนก็ถูกชนถูกอะไรช้ำอยู่เสมอเหมือนรถมือสองที่ถูกชนเจะลอยลักลอยแค้นลอยสุกลอยทุกข์ลอยเสียใจลอยปวดโลกหลงลอยเลยต้นหาหลาคาอันที่ก็ลบไม่ได้เลย ตายทั้งชาติเลยลอยขีดบนดินไม่มีวันที่จะลบ่เ า, าเป็นพบเป็นชาติแต่ดีลอยก็รอยขีดบนดินพอเจียญลบได้บ้างการเวลาลบได้บ้างเันงนี้ใจบังลัติการบุคคลเวลาได้หลงเวลาไรกดก็ขีดลาบเออลบแล้ว รอยขียดบนน้ำบางคนก็มีรัตธิการดีมีศรัทธามีศีลเหน็บนวดน้ำาหม้อ น, นลอยขียดบนน้ำาีดเช็ดเอายกขึ้นก็าหายหมดเป็นจิริยาสัจตะว่าเป็นจิริยา ใช่กายใช่ใจเป็นจิริยาใช้คาพูดสมบิรัญญัดเป็นจิริยาดีเออดีอย่างนี้ก็ดีมองนันแย่ดีเหมือนหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดอุดรจะเรียกว่าหลวงพ่อดีเนาะ อะไรก็ดีโน่เน้นสอบเรียนข้าได้ไอวัดชิมาวาดก็เออดีโน่นินเน้นสอบไม่ได้ก็เออดีโน่นินเน้นทนเจ้าแจก็เออดีโน่นินเน้นเจ็บสิเจ็บของก็เออดีโน่นินเรียกว่าร้องพ่อดีโน่อะไรก็ดีโน่มองสบายสบาย ไม่ได้เกิดทุกข์เทือนนี่ลางทีเราใช่ไม่เปลี่นไม่เรียบไม่เหมือนรอยเฉียบนน้ำลูกทองเจ้าแจกเโอ้ยวายอะจะอะไรขึ้นมาโอยวายตัวดมมันเกิดเพื่มนา ก, ก จ, จิตใจมันลอยขียดลึกโอ้ยที่จะหลงของหน้าโอที่โกรธของหน้าอที่จะสุขทุกข์ของหน้า เราผูเป็นแร่จำใจให้ลอยขีดบนน้ำกอลูกทำเขี้ยวแตกหนึ่งไม่เป็นไรลูกไปเอาไม้กวดมาเอากับบะมา้าตัดขวดใส่ให้กระบะให้บวดนะมันจะบาดลูกก็บอกให้ลูกขวดกวดจากนั่นูวดจากนั้นลูกก็กวดแล้วก็ จะไปดาในข่าวนั้นดาไปาไ่ได้เลยมีแต่มันมันก็ทุกมันตกใจเปลืงแล้วก็ดาซ้ำอีกเอาไม้ขวดมากวดขวดแล้วเอาผ้ามาเช็ดไปทิ้งกระ บ, บะทิ้งใส่ถังขยะจับเขียนให้ลูกทำดูพาทำดูทีหลังให้ลูกจับดีเดอร์เอามือลูกหัวนี่รอยฉีดบนนา้า ของจิตายนี่ผู้มีผู้ที่มีหลาอีเดียวก็น่าชมได้ประโยชน์ไม่มีเลยกับเพื่มเพราะอะไรเพราะเราหัดตนสอนตนนิ่งไว้ก่อนมีศีลมีศรัทธาศีลศรัทธาต่อความดีความชั่วไม่เข้ามาไม่ได้ศีล ปกติศิลาศีลมาจักว่าศิลาศิลานี่ไม่หวั่นไหวง่ายจะเป็นลัตติการของคนที่ฝึกตนก็มีศรัทธาศิลให้หวั่นไหวเหมือนหินภูเขาศิลาแท่งเทึกไม่สะเทือนเพราะลมชนใหผู้ฝึกตนดีแล้วไม่สะเทือนเพราะเนินท้าสนเถินจบทุกปรา เรงเรียกว่ารอยชีดบนน้ำจะเคอบแบบเรียบๆแล้วก็เวลาเราฝึกทำยังไงนี่แหละกรรมฐานวิชากรรมฐานมีบรรทัดฐานมีที่ตั้งมีการกระทาที่ชัดเจนแม่นยำ ม, มีสติงานมีสติมันก็ลกความชั่ว น, น ทันทีทันทีมีสติก็ทำความดีทันทีมีสติจิตก็บริสุทธิ์ไม่ได้ปุ่ ม, มไปไหน่อยไปก็กลับมาลู่เฉยตัวเป็นป ก, กติไปแล้วกลับมาลู่เฉยตัวเป็นป ก, กติสิ่งเหล่า น, นี้ก็คือศีลดันแหละคือสมาธิดันแหละคือปัญญานั่นแหละจี่เรก็หัดว่าหั ด, ปหดไปหดาดวาพามันเป็นลักศณ์จะช่วยรักษาเรา สมาที่จะช่วยปัญญาจะช่วยหรือว่าธรรมช่วยกุ้มคลองผู้ใดเห็นธรรมอยู่นืองเนืองเห็นธรรมมีเห็นธรรมอยู่เนืองเนืองเกิดขึ้นกว่ากับใจไม่มีผู้มีลาตีเดียวก็น่าชมได้ประโยชน์มีสติก็ได้แต่ประโยชน์ได้เปลี่ยนความไม่ดีเป็นดีเปลี่ยนชิ่งที่ผิดเป็นถูก ผมมีกรรมาฐานประติดตั้งกลับมากลับมาแล้วก็เห็นกันอยู่ก็มีลูกก็คิดถึงลูกคนมีเมียก็คิดถึงเมียคนมีอะไรก็คิดไปเคยเมีมีรอยกลับมากลับม า, ก ล, บมากลับมาทีใดก็มัมน่มนคงมั่นคงมั่นคงไปมาก็ง่ายตั้งได้เป็นหลักเสาเขื่อนอัน ก, กันจิตเสาเขื่อนอันกันบาป สติเป็นเครื่องกันบาปป้องกันบาปเป็นเสาเขือนหมายสีลาแทางเตื้อมจะเถื่อนเดบุษสินถ้าไม่เพิกก็เหมือนเข้ารีบเหมือนบักนุน่นเหมือนนุ่นชีวิตเหมือนนุ่นเหมือนเข้ารีบไปง่ายโวอนง่ายพัดไปง่ายตายเหตุรู้ก็ไปแล้วหูได้ยินเสียงก็ไปแล้วจมูกได้กินก็ไปแล้ว ล่นได้ลดก็ไปแล้วตายสัมผัสไหลขึ้นมาก็ไปแล้วจิตใจคิดขึ้นมาก็ไปแล้วลอยทางลอยเอาความคิดเป็นเรื่องตัดสินมาให้เป็นศุขเพความคิดให้เป็นทุกข์ควงคิดให้กลัวพวกควมคิดให้โกรธพวกวคิดให้ทุกข์ควงคิดใช้อะไรอะไรก็ไปบวชอะไรเิตผมไม่รู้อะไรเหมือนศาลาหลังนี้ จิตเหมือนสนาหลังนี้ใครมาก็ไม่ว่าเรีว่าอาการตุกตาผู้มาอยู่เสลาจิตเหมือนเาลาอาคันตุกตาที่มาที่นี่นั่งอยู่ตาพระถ้าโยมถ้าจีถ้ามีผู้ผู้มีสิ่มีปฏิบัติกาา่อสะาเรียบร้อยเป็นระเบียบตาหมามาอยู่มันก็ศกปกลกลุมหลังล โจรู้ราณมาอยู่ก็เอาสิ่งเอาของเพื่องขาอยายเสียงตั้งอยู่ที่หายน้ำหนักสิบเครื่องต้องทำเป็นลูกกงใส่ไว้เพระโจรมาอยู่ก็เสียหายางูมอยู่ใครมาก็กัดตอดปวกมาอยู่ก็จนินก็ดานจนินเสาจนินคือหมดพังหมดแม้แต่ใครมาอยู่ สลาหลังนี้หมาว่าอะไรจิตใจก็เพ่นเดียวกันควหลงมาก็หลงไปเลยมาใช่ความหลงมาใช่จิตจิตก็เลยเป็นหลงไปซะควงโกรธมาใช่จิตเออ จ, จ, จิตก็กลายเป็นความโกรธไปซะลาค้าตัณหามาใช่จิตจิตก็กลายเป็นราค้าตัณหาไปซะเรียกว่าจะหลุดจะหลุดเพราะอะไรมาใช่ผิดกันไปลาค้าจะหล เจอปุ่งปุงถกแต่งเกิดปุ่งแต่งเกิดจิตหาถุจะจิตเขาความโคตรนะาัวจาจิตเอาคว่ำลูกก็ได้ะเมยมีเจ้าของเหมือนเถื่อนเรียกว่าโสเภณีเขาหิวไปไหนก็ได้อันดีไปกินเล่าไปสุบรรณีทั้งที่ไม่มีประโยชน์นะเป็นทุกข์เป็นทุก ของเสพติดเที altung, ่ยวตีเล่นไม่รับผิชอบครอบครัวบ้านเรือนลูกหลานโกงครอบครัวเงินที่หามาได้ทั้งที่เป็นส่วนรวมออาไปใชิส่วนตัวอูรีลูกก็สูงไปได้เมียก็สูงไปได้เ้าลูกก็กินไปได้เมียก็กินไปได้แต่พ่อโกงแรงงานของลูก คอสอนเด็กนักเรียนสมัยยี่สิบกว่าปีสามสิบปีเอาเด็กมาเลี้ยงที่วัด <c oughs> สมัยก่อนมันไข้ามาเหลียไข่ปลาตายกัยกนเป็นจํานวนมากหาวิธีเอาเด็กมาไหว้วัดแต่คนก็สมัยก่อนก็กินเหล้าเจง่อของเด็กกินเหล้าก็เลยสมัยก็เลยสอน สอนเพลงให้เด็กลองเพลงให้เด็กฟังพาเพลงพาเด็กร้องเพลงอยากฟังเพงเ <c oughs> ลงบ่ร้องเพล ง, ง้ดก่อนอกขุดท่อโอสมบาทเงินสามบาทไปซื้อปลาไม้แจ่งใส่ปลาได้จินทั้งลูกทั้งเต่าพ่อไปซื้อเราแล้จินเล่าผู้เดียว เด็กร้องเพลงขณะนั่งโรงเรียนเพราะเล่าโกงหนึ่งมาแต่กว่ามันสามบาทพ็จิ้นเล่าเริ่มบอกเธอน่ะเวลาหลวงพ่อเป็นทบาทบ้านอยู่หน้าบ้านพอจิ้นเล่าเจ๋งให้เธอร้องเพลงเลยนะเวลาหลองหลวงตาไปเป็นทบาทร้องเพลงเลยบางครัหลวงพ่อหลวงโตมาแล้วหลวงพ่อมาแล้ว มันคนอกกัโทูงโอสถบาทนี้สามบา ท, ส, บาทสี่บาทไม่แจ้งใส่พักได้จินทั้งลูกทั้งเต้า อ, อีพอออกไปเื่อเราไล้จิตแต่เราพูอเดียวมันก็กระทบกระเทือนพ่ออางทีอีนางนี่มันไปร้องเพลงมาจากไหนก็นทำเล่นๆไป เปลีวมันเปิีวใช่ไม่เป็นใช่ชีวิตจิตใจไม่เป็นผิดพลาดขวางกันเอาว่้เราจะมาพากันถัดมันมีจริงมีกาวจริงมีใจอยู่จริงเป็นลูกทำเป็นนามทำเรามาทำดีได้มาทำชั่วได้แล้วแต่เราจะใช้มันยังไงเนี่ยจิงมหัดรรมมันทำดีโตเนื่องดูเช่ สิ่งที่เป็นหนความดีเป็นหนโพธิคือความรู้จึกตัวแน่นอนที่จุดก็เข้ากับกายได้เมื่อพลิกมือรู้จึกยกขึ้นรู้จึกเนี่ยก็ได้ความรู้ชันทีความหลงก็ไปไปพร้อมๆกันรวมรู้มาก ร, มรู้มากรูความหลงก็หมดไปหมดไปไหวเฉีงฉว่างกิดขึ้นความมืดก็หมดไปหมดไปมันทําได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้อย่างนี้ ทันจิตทันใจเราปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้ยอยเดือนดึกปีหนึ่งจะควอาได้ตัดได้ผลแต่ปลูกสติทันทีเป็นปัจจัตตังของผู้กระทานีจึงว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้อย่าเอาเพศเอาไว้อ่าสติไม่มีเพศมีไว้ไม่มีละทิ่ในกายเป็นสากล เหมือนกันหมดมือก็มีเหมือนกันหมดลักษณะเหมือนกันหมดเอามาประกอบดูอาไปอ้างว่าเท่าห่าเจอว่าสัรวัจเจ้าจบเหมือนกันหมดสติที่เราเมากาหนดลู้ที่กายเคลื่อนไหวกับสติอยู่พุับกับพระพุทธเจ้าสอง0ปีอันเดียวกัน จึงเรไม่มีการไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมปฏิบัติความดีอกาลิโกหิปัจิโกโอยโกปจัตตังเิตูยติเป็นวิทยาศาสตร์ยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์ไหนหนีพิสน์ได้ท่าทางได้ให้พิจตัว ยืนอยู่บนความเท็จความจริงมานักวิทชาาตร์ที่ไหนก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้โอความจริงมาคือรูปเกินนาคือความหลงควมไม่หลงมาพร้อมกันมาพร้อมกันว่าอะเลียชาติเป็นทิศเที่วกบประกวานนะทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดตเหตุดับก็ดับที่เหตุ การมีเหตุมันเกิดขึ้นมากายเราไปทำเหตุอ่ารใจไปทำเหตุอ่ารไปประกอบอะไรให้มันทำเหตุดีๆด้ดวยจริงความรู้จักตัวเป็นมารดาของกุศลธรรมทั้งหลายความหลงเป็นมารดาของ อ, อกุศลธรรมทั้งหลางแล้วกาถามนั่นทุกคนมาใช้ชีวิตให้มัน รัตติการที่ชัดเจนโดยเฉพาทุกินาทีออ่ลองดูเอาอะไรไม่เป็นหลักสูตรจะแยกอะไรผ่านมาเกิดขึ้นมาก็รู้ทั้งนั้นสมเร็จตายอะไรมาก็เป็นความรู้สึกตัวมารล่าเป็นดีหมดทำได้หมดปฏิบัติได้หมดอะไรเปิดกับกายกับใจจะเป็นวัตถุอาการก็าตาม เป็นสูตรตงนัเหนื่อยก็เป็นสูตรผ่านได้สุขก็เป็นสูตรทุกข์ก็เป็นสูตรพอเห็นก็ทําที่รกขึ้นมาก็นิสิติปนการเป็นประจำพอเห็นสิ่งเกิดขึ้นกวปากระใจต่อไปก็เห็นเวทนาเกิดขึ้นปากระใจ จักตว่าการศึกษากายไม่ใช่สัตวบุคคลตรนเราเขาสรางได้เวทนาก็สักว่เวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตรนเราเขาคิตที่มันคิดขึ้นมาก็จักว่าคิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตรนเราเขาทมที่มันเกิดขึ้นมาก็จักว่าทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตนเราเขากายก็คือเป็นรูปนี่ เราจะเอาความร้อนความหนาวความปวดความเมื่อยมาเป็นตัวเป็นตนความทุกความหิวอจาคปลมเป็นตัวเป็นตนจะเอาความสุขความทุกข์มาเป็นตัวเป็นตนอยเอาความคิดมาเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเป็นทุกข์ความคิดจะทำมาเป็นตัวเป็นตนทำที่เป็นกุศลอกุศลมาเป็นตัวเป็นตน ที่มายออจิตอกุศลธรรมคือความโกรธความโลภความหลงอย่อมมาเป็นตัวเรากุศลธรรมคือความสุขความสงบยอมไปเอาไม่เป็นตัวเราวางทุกวางสุขถ้ามีสุขก็ต้องมีทุกถ้ามีทุกก็ต้องมีสุขวางให้มันลอยตัวชีวิตลอยตัว นี่ก็คมกาเนิดเยไองนี้ไม่จะเหลืออะไรก็เหลือแต่มรรผลนิพพานเกิดขึ้นมาเทนที่สุดก็คือไม่มีอะไรเหมือนพุทธเจ้าตัดว่าชาติของเราเสิ้นแล้วภู ม, มิจันรของเราอยู่จบแล้วจิตอื่นที่ต้องทำไม่มีีกแล้วทำแล้วทาแล้วเสร็จหมดแล้ว ก็จของสองตะเกียงคิดเมตตากุนาเกิดขึ้นนั่งต้นโพลูกออกจากต้นโพลเยืนอยู่ทางทิศเหนือองต้นโพอย่างไม่กระพริบแล้วว่าอนิมิตะใจดีอาสัจจารทำบายเร็ยก็ยอม ย่อมีความผูมใจเหมือนเราทำนาสำเร็จก็ล่องเพลงแต่คนาผิวปากเล่นไปเข้าเขี้ยวเขียวเข้ากันยุ่งกันฉาบหมดเข้าเติมยุ่งจบสังโมโกไม่ความผูมใจเรียนจบก็มีความผูมใจที่พระเจ้าแจะทำให้ชีวิตจบเล้พินารณานั้ เมื่สิ่งเหล่านี้มันจบไปสิ่งปลอมชั่วปวลอมร้อยมาดีจบไปทั้งหมดของกายของใจเกิดหลายขึ้นก็เกิดมาเกิดผลมาผลก็เกิดเมตตาคุณธรรมหาคุณาที่คุลเกิดขึ้นจะช่วยใครหนอจะช่วยใครหนอจิตถึงใครที่จะมาฟังเทศจากนี้จะพอเทศให้ใครพูดให้ใครฟังกิจจะเข้าใจหนอก็ทีท่โทษเธอ จะโทอเธอที่แกรกก็โทษเธอวิบวัจะไม่มีคนทำได้ออุเปลือกอุปมาขึ้นมาเหมือนบัวสีเหล่อที่คนเราก็เหมือนบัวสีเหลาหน้ะบัวเราหนึ่งเกิดขึ้นพ้นน้ำแล้ว็ัดรับแสงอาทิตย์กบบานได้คนบางคน กาจะกิดบริสุทธิ์มากแล้วคอยออไปบอกได้ก็จะได้ยินทำได้บอกทำลงไปก็จะบานตลอดเวบัวเพศที่สองก็อีกหนึ่งวันจะพ้นน้ำํำรอสักหน่อยก็พ้นน้ําแล้วก็ชัเวล า, น, าน้อยๆก็ยินได้ฟังไปชิงไลรอม ด, ดียินได้เสียงอะไรที่ก็จะบาน หัวที่สามก็พ้นดินขึ้นมาแล้วอยู่ในพื้นดินโอกาสก็ค่อยขึ้นค่อยขึ้นมาก็จะพ้นน้ำบานดาส่วนวุ้ประเภทหนึ่งอยู่ใต้ดินอาจจะโอกาสะพ้นดินก็มีโอกาสไม่พ้นดินก็มีอาจเป็นอาหารปลอาหารเต่าไป ก็ <c oughs> เปรียบเทียบแบบนี้ก็คิดถึงอุตกระดาบทตราะดาบทที่เป็นอาจารย์คนแรกที่สอนเรื่องฌานสมบัติจบแล้วก็หมดไปแล้วจากพุทธคยากับดงพระจัทรที่ภูเขาของอุตกระดาทบทต ร, ราดาบระบททางทิดเหนือตะวันเฉียงตะวันออก ของพุทธคยาตาวอาทิตย์วมันดอกไป น, น่นอทิตย์ดาวออกเฉียงเหนือไปอีกโ น, น่นไกลโน่นเป็นดงข้าจลที่บำเพ็ญพุทธทุกขกิริยากมาใต่จนโพธิ์มาจนโพธิ์นี่ไปหาโอกาศ ร, ระบทเวลาลบทละบ ท, ะบทหมดชีวิตไปแล้วหรือศูนย์หายไปแล้ว คิถึงปัญจวคีเลยก็คํานวณดูว่าปัญจวัคีแยกหนีจากตั้งตัตั้งแต่อยู่นีโคตต้นนี่โคตเนินบ้านสุชาตาก็คํานวณ ว, ว่าต้องไปป่าอิสิปตนามลขทาญวันเมืองพราณสีแน่นอนเพราะที่นั่นเป็นที่ปลดปล่อยของนักคตปคัญจวคีเป็นนักคตร อ, อกกวด อาจจะไปอยู่ที่นั่นแน่นอนแต่ชิดได้กับวางแผนชิดวางแผนขึ้นมาจะไปยังไงเนี่ยอ่าจะไปตัวจยาจะกคืนก่อน จากพุทธคยาไปพา ร, ราณสีสามรอยกมเดินด้วยป่าประบาดของพองค์ไม่มีรถไม่เลือแต่นั่งรถไปเเกือบจะแปดชั่วโมงนะสร้อยสี่รอกมงน่ทางรถติดมากช่วงพุทธคยาไปพา ร, ราณสีเนี่ยไปถึงพา ร, ราณสีไปพบปัญจวัคคีย์อยู่ในเนินดึง ที่แรกปาชีเห็นหนีไปเลย <c oughs> นังเกียรติว่าสำนัมกมากๆตามมาอยู่แล้ ว, วต่อพจาก็ยังไม่ยอมตามไปก็อยู่ที่ปาจีตธนาตามประวัตนะิว่าเห็นปัญจวิคีทั้งห้ารูปนั่งอยู่พระองค์ก็เดินเข้าไป ปรากฏว่าคนทัญยาบอกเอาสำนะกพิสุท ธ, ธะงาตีแล้วพวกเราไม่ต้องรู้นั่งอยู่นี่อย่าไปโฉนใจอะไรก็นั่งพระพเจ้าก็เดินเข้าไปก็ป น, นั่งด้วยวางองค์วางรูปวางหันข้างใส่หันหลังเส่ กชนทัญญานี่เป็นผู้ทำนายลักษณะตั้งแต่ประสูตธได้เกดวันยังมีความเคารพอยู่บ้างทหานหน้าใสอูอัชนาหน้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเฉยถ้ า, าทีก็เป็นผู้เท่าสถธาพระเจ้าก็เป็นผู้หนุ่มสมสิบ ห้าสามสกสามห้าปีอาจารยก็แสดงดูก่อปรปจัจรวคีดูกนปจัจรวิคีเทศนะกันลกรกสรรมจักรปวัตสูตรโคธราจารยก็เหมือนบวชคนหนาตอนทีแลยทีเดียวกล่าวถึงทางก็อบอกั้งทางแล้วกล่าวถึง อ น, นัตตละคณะจูตรความไม่ใช่ตัวเช่ตนต่อเป็นอริัจสล่างเลยเหมือนกับล่างพราชักผ้าก็จะยอมปัญญาคนราัญรู้ ร, รมขึ้นมาเป็นพระอรหันต์องค์แรกในโลกะยกย่องแน่นอนแล้วเราข่อสอนเัียธรรมต้องเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกเกิน เป็นอย่างนี้่างใเกิดขึ้นถึงนั่นดับไปเป็นธรรมดาจังกิจจมุตยธรรมังสับปันตังนิโรธมันติได้ผลนกล่าวอุทารวาสกภงทุกสิ่งทุกสิ่งเป็นเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นอย่างนี้มีเมือ่อมีชว่ามันได้ผลได้ผลได้ผลอสอนโอัญญาเป็นพระหานแล้วก็ได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทโธ โอสองคนอื่นให้รูดตามได้แล้วรูดได้แล้วเป็นของจริงของจริงแต่ก่อนเป็นพุทธเจ้าเฉยๆโอสองคนจะเกิดขึ้นมาไม่นานก็มีพ ร, ระป่าพุทธยาหานมามะเติบขึ้นมาตอนระบบอจฉิตงงุดท้ายเขาอยู่ที่นั่นจำพรรษาที่นั่นจนถึงว่า ยศสาคนลบุตรเป็นลูกเสีตีเบื่อนหนายขวางบูบรถจินเสียงนี่เอามั้งปวเป็นสาคนลบุตรเป็นประานเคือหมาแต่สหายของวชิอากุลบุตรมาตาอกีกสีสิห้าคนมาพระามาำบวชอีก ตัวแม่ของจ้าสาวคนวดตามหาลูกมาเห็นออเป็นวาศกวาชิกาคนแรกตั้งมกก็สี่สี่สิบกว่าลูกไปเผยแพร่พามาจะมาถึงพวกเราตั ว, ว น, นี้จะจบพค่นี้